วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่หลวงพ่อจะได้สนทนากับสา ม, มนเณร น, นะในขณะที่สา ม, มนเณนรยังคลองผ้าเหลืองก็เลยอยากจะเล่าเรื่องดีๆให้ฟังน ะ, ะจำไว้ก็ดีนะเพราะอาจจะออกข้อสอบได้มีเด็กคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายอายุห้าขวบชื่อปูนนะโรงเรียนของปูนเนี่ย น, นะ เขามีการเชิดชูเด็กที่ทำความดีเด็กที่ทำความดีเนี่ยเขาจะติดดาวบนกระดานทำดีห้าครั้งก็ติดดาวห้าดวงนะบนกระดานหน้าชั้นเรียนทำดีสิบครั้งก็ติดดาวสิบดวงในกระดานวันหนึ่งแม่เนี่ยแม่ของปูเนี่ย มาดูที่กระดานก็เห็นแล้วไม่สบายใจเพราะว่าดาวของปูนเนี่ยมีแค่สองดวงขณะที่เพื่อนคนอื่นเนี่ยมีดาวต้องห้าดวงแม่ของปูนก็สงสัยว่าทำไมปูนได้ดาวน้อยหรือว่าปูนชอบแกล้งเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยจึงไปถามครู พอครูได้ฟังคำถามของแม่ปูนก็หัวเราะยิ้มแล้วก็บอกว่าที่จริงเนี่ยปูนเนี่ยได้ดาวมากกว่านี้หลายดวงเลยนะแต่ว่าปูนเนี่ยเวลาเห็นเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาได้ดาวน้อยและเพื่อนคนนั้นก็เสียใจที่ได้ดาวน้อยปูนก็เลยดึงดาวของตัวเนี่ย ไปติดให้เพื่อนเพนื่อนก็คือแบ่งดาวให้เพื่อนเพนื่อนจะได้ดาวเยอะๆนะปูนี่ไม่มีความเสียดายเลยนะดาวของตัวเนี่ยและมีความสุขนะที่ได้แบ่งปันดาวให้เพื่อนนะแสดงว่าอลไรแสดงว่าปูนี่เป็นคนมีน้ำใจนะเพราะว่าใครๆก็อยากได้ดาวเยอะนะ แต่ปูนเนี่ยไม่เสียดายนะแบ่งดาวให้เพื่อนก็ได้มีความสุขมีเด็กชายคนหนึ่งนะอายุมากกว่าปูสองขวบแปลว่าอายุเท่าไหร่เจขวบชื่อแม็กวันหนึ่งแม็กเนี่ยวิ่งก็คือกระหอบมาหาแม่ที่บ้านตอนนั้นก็เลิกเรียนแล้วบอกแม่ขอเงิน10 บ, บาทพวกเราเคยทำแบบนี้ไหมขอเงินแม่10บบาทนะ แม่บอกเอา้าแม่เพิ่งให้หนูไปเมื่อเช้านะทำไมแม็กมาขอจากแม่อีกแม็กก็บอกว่าจะไปให้เพื่อนครับชื่อเก๋เขาทำเงินหาย10บาทแม่ก็เลยถามแม็กว่าหนูทำเงินเขาหายเหรอ หรือว่าหนูเอาเงินเข้าไปหรือเปล่าแม่ก็บอกเปล่าครับอ้าวถ้าเก๋ก็ทำเงินหายเองเขาก็ต้องรับผิดชอบสิถ้าเ็าทำเงินหายแล้วหนูเอาเงินไปให้เขาเนี่ยต่อไปพอก็าทำเงินหายอีกหนูไม่ต้องมาขอแม่อีกเหรอแม่ก็บอกว่าขอเงินแม่นะแม่ก็ยืนกลานขอเงินแม่ แม่ก็ทีแรกก็ไม่ให้นะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าแม่ไม่ให้เนี่ยเก๋เนี่ยเขาคงจะถูกพ่อตีพ่อเขาเนี่ยดุมากเลยถ้าเก๋ทำเงินหายพ่อก็จะโกรธแล้วก็จะตีเก๋อันนี้แม็กเนี่ยก็พอแม่ไม่ให้เงินนะแม็กบอกว่าไงแม็กบอกว่า พรุ่งนี้แม่ไม่ต้องให้เงินผมก็ได้ครับเงินค่าขนมผมไม่เอาแล้วครับขอเป็นเงินสิบบาทวันนี้ก็แล้วกันจะไปให้เก๋เขาจะได้ไม่ถูกพ่อตีโอ้นี้แม่นี้ยอมนะยอมอดค่าขนมนะเพื่อช่วยเพื่อนเพราะรู้ว่าเพื่อนเนี่ยจะต้องถูกทาโทษแน่นอนสุดท้ายแม่ก็ยอมนะแม่ก็ซาบซึ้งน้าใจของลูกชายว่าเ้าเสียสละนะ เป็นห่วงเพื่อนอยากช่วยเพื่อนนะและพร้อมที่จะเอาเงินค่าขนมของตัวเนี่ยไปให้เพื่อนนะยอมอดกินขนมนะพรุ่งนี้เนี่ยแม่นี่ก็ซาบซึ้งน้ําใจก็เลยให้เงินแม็กไปนะให้เงินไปนี่ให้ไปเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันต่อมาแม่ก็ให้เงินค่าขนมแม็กอีก เพราะว่าแม็กเป็นคนดีนะคนดีเนี่ยคือคนที่มีน้ำใจนะปะูนเนี่ยนะเขาไม่มีเงินให้เขาก็แบ่งดาวให้เพื่อนแม็ก <Mac S 2> นี่ไม่มีเงินนะก็ไปยืมไปของเงินแม่มาให้เก๋นะอันนี้เป็นคนที่มีความเสียสละมีแต่คนหนึ่งนะอายุมากกว่าแม็กสองขวบอายุเท่าไหร่อะ เก้าขวบนะอันนี้เป็นฝรั่งนะชื่อไรอันอ่ชื่อเหมือนใครวะไรอันวันหนึ่งเนี่ยไรยอันกําลังกินข้าวอยู่เตรียมไปโรงเรียนบอกว่าดูโทรทัศน์ไปด้วยแต่ไม่ได้ดูการ์ตูนนะอันนี่สําคัญมากเลยนะมันเป็นข่าวข่าวว่ามีโรงเรียนหนึ่ง มีเด็กยิงอายุ6กขวบไม่ได้กินข้าวกลางวันในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีอาหารกลางวันให้เด็กกินทําไมเด็กคนนี้ไม่ได้กินอาหารกลางวันเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายอาหารมันไม่ได้ฟรีนะพ่อแม่นี่ต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันแล้วพ่อแมขอ่ของเด็กคนนี้ยากจนค้างชําระค่าอาหารโรงเรียนก็เลย ให้อาหารกลางวันแก่เด็กคนนี้ไม่ได้ไรอันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจนะดูข่าวนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วเพื่อนของเราในโรงเรียนของเราเนี่ยมีปัญหาแบบเด็กคนนี้บ้างไหมก็คือว่าไม่มีอาหารกลางวันกินเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายก็เลย ถามแม่ปรึกษาแม่แม่ก็ดีนะไม่ได้มองว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะแม่บางคนก็เอ้ยอย่าไปสนใจคนเลยเป็นเรื่องคนอื่นเขาแต่แม่เนี่ยของไรอันนี่พอลูกถามลูกเป็นห่วงก็เลยเอาเป็นธุระไปถามผู้บริหารโรงเรียนของไรอันว่ามีแต่คนไหน ที่ไม่มีอาหารกลางวันกินไหมเพราะพ่อแม่ไม่จ่ายเงินปรากว่ามีหลายคนนะและคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของไรอันไม่มีอาหารกลางวันกินเพราะติดค่าอาหาร74เหรียญ74เหรียญนี่ก็คิดเป็นเงินไทยก็ 2,000 กว่า บ, บาทโอ้สําหรับ หลายคนนี่สองพันกว่าบาท น, นี่มันเล็กน้อยมากนะเราไปเที่ยวทีนึงบางทีก็สามสี่พันแล้วแต่ว่าเพื่อนของไรอันเนี่ยคนเนี้ยไม่ได้กินหารกลางวันทำให้กินหารกลางวันเป็นไงหิวไหมอ๋อหิวหรือเปล่าน้นำมันเนนหิวนะพวกเราเคยมเคยเลิงดกินหารกลางวันไหม เคยตอนเป็นเนนใช่ไหมตอนเป็นเนเรากินเพนตอนเพนเรกินนะแต่ถ้าเราไม่ได้กินเพนนี้เป็นยังไงหิว <You. S 1> อันนี้ลายอ่านเนี่ยพอรู้ว่ามีเพื่อนคนนึงเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันกินเพราะว่าติดเงินโรงเรียน75เหรียญ74เหรียญจะทำยังไง ร, รู้ไหมถ้าเป็นเราเราจะทํำยัำยงไงเก็บตังค์ถูกต้องแล้วลายอานเนี่ยเก็บเงินเลยเก็บเงินข้างขนมเดิมทีเนี่ยจะต้องการจะไปซื้อฟุตบอล ซื้อรองเท้าเล่นกีฬานะเด็กเนี่ยเด็กฝรั่งนี่เขาอยากจะได้อะไรเขาเก็บเงินนะไม่ใช่ไปขอเงินแม่เพราะว่าฝรั่งนี่พ่อแม่ไม่ได้เป็น ATM เคลื่อนที่นะไม่เหมือนบ้านเราพ่อเรานี่พ่อแม่เป็น ATM เเคลื่อนที่นะอยากได้อะไรก็ไปขอเงินแม่แต่ฝรั่งนี่ต้องเก็บเงินเองนะคราวนี้เนี่ยแทนที่จะเก็บเงินเพื่อไปซื้อฟุตบอลไปซื้อรองเท้าเก็บเงิน เพื่อเอาไปจ่ายเป็นค่าอาหารให้กับเพื่อนนะก็ใช้เวลาอยู่นานนะกว่าจะได้เงินครบเจบสี่เหรียญแล้วพอได้ครบนะก็ไปกับแม่นะไปหาผู้บริหารโรงเรียนบอกว่าเนี่ยตอนนี้เพื่อนอผมนี่มีเงินค่าอาหารกลางวันแล้วนะครับอันนี้เงินเจิบสี่เหรียญ น, นะขอให้เขาได้กินอาหารกลางวันนะครับโอ้หลายอันี่ยอมนะยอมที่จะ ไม่มีรองเท้าสวยๆเพียงเพื่อให้เพื่อนนี่ได้กินหารกลางวันแม่นี่ประทับใจมากเลยครูก็ประทับใจนะก็เลยเขียนเรื่องนี้ลงโซเชียลมีเดียคงจะเป็นเฟ e บุ๊กกันนะบอกว่ามีคนอ่านแล้วก็ทดประทับใจลายอันมากแล้วก็ตื่นตกใจด้วยว่าโอ้โหมีเด็กจำนวนมากเลยเหรอที่ไม่มีอาหารกลางวันกิน เพียงเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายเขาก็เลยระดมเงินกันนะบริจาคเงินกันมากมายนะเป็นหลายพันหลายหมื่นเหรียญเลยนะเพื่อมาช่วยเด็กที่ไม่มีอาหารกลางวันกินก็กลายเป็นว่าไม่ใช่เด็กคนเดียวนะที่ได้กินอาหารกลางวันแต่มีเด็กอีกมากมายที่ได้กินอาหารกลางวันเพราะอะไรนะจุดเริ่มต้นมาจากไหนจุดเริ่มต้นมาจากไรอัน หลายอันแคนะ่แม่จะเป็นเด็กเล็กตัวเล็กๆนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันก่อให้เกิดผลสะเทือนนะไปอย่างมากเลยก็ทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยนี่หลายร้อยหลายพันได้กินอาหารกลางวันนะพวกเรานี่ก็โชคดีนะมีอาหารกลางวันกินไม่ว่าที่บ้านหรือที่โรงเรียนและต่อไปนี่ เราก็ลองสังเกตดูบ้างนะว่าเพื่อนของเรานี่มีคนไหนที่เขาไม่มีอาหารกลางวันกินบ้างบางคนเนี่ยกินแต่น้ำนะเพราะว่ายากจนถึงเวลากลางวันนี่เขาก็หลบหลบไปกินน้ำนะเพื่อจะได้หายหิวนะเราลองสังเกตดูถ้ามีเพื่อนแบบนี้เราก็ลองช่วยเ็าดูนะเพราะนี่แหละเป็นเครื่องหมายคนดีคือมีน้ำใจ